ในสมัยพุทธการมีข้าบดีท่านหนึ่งที่ได้จัดว่าเป็นเอต ท, ทักคะทางด้านการสอนธรรมเอต ท, ทักคันี่ก็แปลว่าเป็นผู้ที่เป็นเลิศต้องเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมใกล้ชิด ก, กับพระพุทธองค์ข้าบดีนี้ก็ชื่อจิตตะข้าบดีก็เป็นผู้สร้างวัด แต่ก็ไม่ค่อยอมีความสำคัญเท่าไหร่ในสมัยพุทธกาลล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อจิตตาบดีป่วยป่วยหนักนะเทวดาก็มาหาไม่ใช่เทวดารูปเดียวนะเทวดาหลายรูปเลยละมา โน้มน้าวบอกจิตตคาขาบดีให้น้อมจิตหรือว่าตั้งจิตปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือตอนจะตายเนี่ยถ้าน้อมจิตไปในทางไหนเนี่ยนะก็อาจจะหนุนส่งให้ได้ไปเกิดในภพนั้นหรือได้เป็นสิ่งนั้นได้ จิตคบดีก็เป็นผู้ที่มีทำบุญไว้มากนะ mm hmm. ก็เรียกว่าเทวดาคงจะรู้ว่าบุญเนี่ยถึงนะถึงที่หนุนส่งให้ได้เป็นพระชาจั ก, กรพรรดิได้ mm hmm. ก็ได้ความหวังดีนะน้อมบอกให้จิตคบบดีน้อมใจนึกนะตั้งจิตปรารถนาเป็นพระชาจักรพรรดิแต่ว่าจิตคบบดีนี่ท่านเป็น เป็นชาวผู้ที่รู้ธรรมก็ปฏิเสธนะบอกว่าท่านจะน้อมจิตมุ่งพรนิพพานอย่างเดียวเลยถ้านใหเหตุผลว่าที่ไม่ไ ม, ไม่ตั้งจิต ป, ปัฒนาเป็นจั ก, กระพัฒก็เพราะว่าจั ก, กระพัฒนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน แลคนทั่วไปนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคนทั่วไปนี่ถ้ามีเทวดามาบอกแบบนี้นี่ก็คงจะนะตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นจักรพรรดิเพราะว่ายิ่งใหญ่กว่าราชาจักรพรรดนี่เป็นที่มาหรือเป็นสุดยอดของอำนาจนะไม่ใช่เป็นราชาธรรมดานะนะแต่เป็นราชาของราชาเลยเนี่ยจักรพรรด ถ้าพวเราเองนี่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้นี่จะน้อมจิตตั้งจิตปรารถนาแบบนั้นหรือเปล่านะวิสัยชาวโลกนะก็ปรารถนานะอยากจะมั่งมีอยากจะมั่งคั่งร่ารวยอยากจะมีอำนาจนะเป็นจั ก, กรพรร ด, ดิก็ยิ่งดีหรือไม่ต้องเป็นจั ก, กรพรรดิก็ได้เป็นแคนะ่ราชาหรือผู้นนะําำก็ คิดว่ามันก็เป็นความสุขแล้วเพราะว่าถ้ามีอำนาจนะก็ตามมาซับเอยบริษัทบริวารเอยนะอันนี้มันก็เป็นยอดปรารถนาของผู้คนแต่ว่าจิตตะคบดีนะท่านฉลาดนั่งรู้ว่าแม้แต่จกักรพรรดนั้นก็ไม่เที่ยง ให้เราดูตามปฏติศาตรนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะผู้ที่ยิ่งใหญ่เนียมนาจแม้จะเป็นผู้ที่เอาชนะหรือว่าครอบครองครึ่งโลกครอนโลกได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่งดงามหรือจบลงอย่างสวยงาม อย่างอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะอยู่ที่ประเทศกรีกกรีทาทัพมาจนกระทั่งมาถึงนะอินเดียอาณาบริเวณที่ครอบครองนี่ก็มหโานนะแต่ก็ก็ตายนะตายอย่างทุกทรมานนโปเลียนก็เหมือนกันครองยุโรปได้ก็ จบลงไม่สวยนะฮิตเลรกก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แ ม, ม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองก็ผู้ที่มีอำนาจก็จบลงมีชีวิตจบลงแบบลำบากนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ถูกอาชาติสัตรูผู้เป็นลูกนะยึดอำนาจแล้วก็วถูกกระทำปิตุฆาตตาย คนที่เคยเมีอำนาจในที่สุดก็ต้องมากลายเป็นนักโทษของลูกตัวเองนะแล้วก็ตายอย่างทรมานแม้แต่พระเจ้าโศกเองเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเป็นสมมนธ ร, รมราชามีอำนาจนะมากมายเรียกว่าอินเดียคอนทวีปอนุทวีป อ, อินเดียนะ ก็ตายไม่ดีนะเขาเรียกว่าผู้ที่อเมียอำนาจยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่คำฟ้าและไม่ใช่ว่าอำนาจที่ตัวเองมีนี่จะจะยั่งยืนในะนที่สุดก็สูญเสียอำนาจเาก็เรียกว่าจบลงจบชีตยอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อันนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่คนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะคนเรานี้มักจะมองอะไรเนี่ยมองมองเพียงแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวก็คือมองตอนที่คนนี่ประสบความสำเร็จตอนที่คนยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ดูว่ากว่าจะยิ่งใหญ่ได้นี่นะต้องาพากเพียรพยา ย, ยามแค่ไหน ไม่ใช่ภาพเพียรทำความดีอย่างเดียวนะบางทีก็ต้องภาคเพียรทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยให้เชิดพระจ่าโสนี่ก็ฆ่าคนเป็นมากใอ้จกกักรพรรดิทั้งหลายนี่จะมีอำนาจได้ก็ต้องฆ่าผู้ฟันคนมากมายอันนั้นคือที่มาส่วนที่ไปที่ไปก็เหมือนกันนะก็จบลงแบบไม่สวยอัญชิตาขาบดีก็เป็นผู้ที่ฉลาด ถ้าท่านรู้ว่าเป็นจักรพรรดิไปก็ก็เท่านั้นแล้วมันไม่มีความยั่งยืนจรนะิงถ้าอาจจะมองต่อไปได้ ว, ว่าเป็นจักรพรรดิมันก็ยังยังจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหมุนวนอยู่กับวัฏฏะสงสารนะก็ยังมีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงนะท่านก็มุ่งนิพพานเลย ้าชาตผู้ที่ฉลาดหรือชาติผู้ที่มีการศึกษานี่ท่านก็จะมุ่งนิพพานนะไม่เอาอย่างอื่นนะเวลาตั้งจิตปราถนานี่ก็ปราถนาพระนิพพานไปเลยล้วคนโบราณคนไทยโบราณเขาก็มีมีภูมิปัญญาตรงนี้นะเวลาบินธบ เ, เวลาใส่บาทพระี่ท่านเขาก็นะอธิษฐานจิตนะสั้นๆ นะบางทีชาวบ้านก็อธิษฐานวันนี้ขอให้ถึงเมืองแก่ขอให้แคล้วบวงมานขอให้ถึงพระนิพพานนะอันนี้ก็เป็นสำนวนชาวบ้านของอีสานให้ถึงเมืองแก่ขอให้แคล้วบวงมานให้ถึงพระนิพพานแค่นั้นเองนะไม่ต้องไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากแต่เดี๋ยวนี้เราเวลาทําบุญ เราอธิษฐานกันนานหรือเกินอยากได้น่นอยากได้นี่อยากรวยอยากถูกรัตตรี่อยากมีเพชรนินจินดาอยากได้รถจนอยากได้บ้านใหญ่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่แน่ว่าจะถึงแม้ว่าได้ได้มาก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขหรือเปล่า อย่างจากักรพรรดิที่พูดเนี่ยหรืออย่างผู้ที่มีอำนาจนะที่ยกตัวอย่างนี้ก็ไม่มีความสุขต้องคอยหวาดระแวงว่าคนจะมาคอยคอยฆ่าระแวงมากนะแม้กระทั่งจกักรพรรดิจีนนี่ก็อยู่ไม่มีความสุขจกักรพรรดิจีนนี่เขามีนางสนมเยอะมาก แล้วก็เวลาอยากจะให้นางสนมมามาปลนิบัติเนี่ ย, ยก็กลัวนะว่านางสนมเหล่านี้นี่จะมีจะพกพาอาวุธมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎเรียกเป็นกฎมณฑีนบานก็ได้ว่านางสนมทุกคนที่จะมามารับใช้มาปลนนิบัติพระจักรพรรดินี่ จะต้องไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรมาเลยไม่มีใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็ให้ขันทีเนี่ยไปไ ป, ไปแล้วก็ขี่คอขันทีมาขี่คอขันทีมาหรือว่าเพื่อเพื่อมามาปฏินบัติถ้ากลัวขนาดนี้นะกลัวกลัวตายกลัวเขาจะที่นํากลัว นางสนมนี่จะมาทำร้ายตัวเองแล้วจะมีกฎระเบียบอีกเยอะนะที่คอยระวังไม่ให้อันตรายมาถึงตัวได้แต่ก็จำนวนมากนี้ก็ตายตายด้วยคมมีดคมดาบหรือบางคนก็แขวนคอตัวเองตายอย่างจกักรพัฒน์ราชวงศ์หมิงคนสุดท้ายนี่ ไม่สามารถจะรักษาปักกิ่งไม่รักษาไม่สามารถจะรักษาเมืองลงไว้ได้ขนาะมีกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่สัตร์ตมันมาจากทางเหนือเป็นพวกเป็นพวกแมนจูแมนจูที่อยู่ทางเหนือของปักกิ่งก็ <c oughs> เลยต้องสร้างกำแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตโมโหลาน <c oughs> แต่ป้องกันไม่ได้นะเพราะว่า ทหารฝ่ายที่ป้องกันกำแพงนี้มันเปิดประตเระูเปิดประตูกำแพงเปิดยอมให้ทหารแมนจูเข้ามาบุกมาถึงปักกิ่งแล้วพระจกกระักรพรรดิก็ทำใจไม่ได้นะไม่รู้จะอยู่สู้โลกยังไงก็เลยฆ่าตัวตาย อันนี้คือชะตากรรมนะของของผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีเงินมีทองมีความมาั่งคั่งร่ำรวยก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะก็ต้องระวังระแวงเหมือนกันระวังว่าคนจะมาลักขโมยคนจะมาปล้นคนจะมาะแย่งชิงแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีมีเท่าไหร่ก็ยังอยากได้อีกนะไม่เคยพอเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การมีแต่มันอยู่ที่การได้นะมันต่างกันนะระหว่างมีกับได้เนี่ยมีร้อยล้านพันล้านก็มีก็มีความสุขประเดียวเดียว แต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่เข้ามาก็ไม่มีความสุขมันอดไม่ได้ที่ต้องดิ้นลนไปแสวงหามาเพิ่มอีกหนึ่งล้านสองล้านทั้งๆ ท, ที่มีอยู่แล้วนี่พันล้านแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีมันไม่ให้ความสุขได้มากเท่ากับสิ่งที่ได้มาใหม่อย่างคนที่มีเพชรนินจินดายเยอะแยะเนี่ยถามว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ชิ้นใหม่มา ได้ชิ้นใหม่มาหรือเสื้อผ้าเนี่ยนะมีเสื้อผ้ามาสามสิบสีสิบชุดหรือเป็นร้อยชุดนี่ถามว่ามีความสุขหรือเปล่าก็ไม่นะจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ชิ้นใหม่มาได้ตัวใหม่มาแ้าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้ก็คือว่าให้สิ่งที่มีเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าสิ่งที่ได้มาใหม่เนี่ย ถึงบอกว่าความสุขคนเราเกิดจากการที่ได้ไม่ใช่เกิดจากการที่มนะีมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขจนกว่าจะได้มาอีกได้สิ่งใหม่ของใหม่มาเพิ่มเติมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของของกิเลส ข, ของอัตตานะที่มันไม่รู้จักพอก็ทําให้จมอยู่ในความทุกข์นะทุกข์พราะต้องแสวงหา ทุกเพราะต้องรักษาเอาไว้แล้วก็ทุกเพราะว่าไม่พอใจสิ่งที่มีหรือพูดง่ายคือเบื่อนะจะแก้เบื่อจะหายเบื่อได้ไงก็ต้องมีสิ่งใหม่เหมือนกับเรากินอาหารนะนะเรากินอาหารจะจะเป็นหูฉลามจะเป็นอาหารที่อร่อยแค่ไหนก็ตามถ้ากินทุกวันทุกวันกินทุกมือ้อทุกมื้อเนี่ย มันก็เบื่อนันต้องมีอะไรรสชาติใหม่ๆเข้ามาเติมฟังเพลงเพราะๆฟังอยู่นั่นแหละซ้ําไปซ้ํามาเพลงเดียวฟังอยู่นั่นแหละไม่นานมันก็หายเพราะไม่มีความสุขก็ต้องอยากจะได้เพลงอยากจะฟังเพลงใหม่เท่านั้นยังไม่พอนะ ชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ได้มามันมีมันต้องมีสิ่งที่ต้องเสียไปด้วยไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนนะก็ต้องเสียไปมีเงินนะก็ต้องพบกับต้องเจอการสูญเสียนะมีอำนาจก็ต้องเสียอำนาจมีเงินก็ต้องเสียเงินอันนี้เป็นธรรมดาที่เขาเรียกว่าโลกกระทำนะโลกกระท โลกธรรมนี่มี8ปนะก็คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสารเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นะถ้าคนเราเนี่ยถ้าหลงวนอยู่ในโลกธรรมเนี่ยนะไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันก็พรอยต้องจมอยู่กับไอ้วัตตะแห่งการได้และเสียนะ ท่านพุทธศาสนานท่านสอนว่าให้อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกนี้ไม่ได้หนีโลกนะก็ยังอยู่ในโลกแต่ว่าอยู่เหนือโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมก็คือว่าเมื่อได้มาก็ไม่ไม่ดีใจเมื่อได้มาก็ไม่ดีใจและเมื่อเสียไปหรือพัดพรากไปก็ไม่เสียใจ มันคู่กันนะถ้าดีใจเมื่อได้มาก็ย่มเสียใจนะเมื่อต้องเสียมันไปอันนี้เป็นธรรมดานะถ้าไม่อยากเป็นทุกข์เมื่อต้องสูญเสียมันไปนะก็อย่าไปดีใจเมื่อได้มามันก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราดีใจเมื่อได้มาถึงเวลาสูญเสียมันไปนะก็ย่มเป็นทุกข์ มีคนมาถามว่าทำไงถึงจะไม่ทุกเวลาถูกตาหนิเราก็อย่าไปดีใจเสียเวลามีคนชมแล้วถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยเวลาคนดีใจเวลาคนชมเราก็อย่าไปดีใจเมื่อเวลาเขาตำหนิใจก็ไม่เสียใจก็ไม่ทุกข์มันก็มีหลักง่ายๆอย่างนี้แหละ พรถ้าดีใจมากเมื่อเจอเอารมณ์เมื่อเมื่อได้สิ่งที่เป็นบวกก็ย่อมเสียใจเวลาประสบกับสิ่งที่เป็นลบนะคนที่หัวเราะดีใจมากๆถึงเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังนะมันมันเป็นของคู่กันถ้าไม่อยากเสียใจเวลาพัดพรากก็อย่าไปดีใจเวลาได้โลกธรรม ได้สิ่งที่มันถูกใจ น, นี้ก็ต้องฝึกนะคนเราเนี่ยเนื่องจากไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจเรื่องโลกธรรมก็เลยปล่อยใจให้เป็นธาตุของโลกธรรมคือยึดติดในสิ่งที่ได้มาหรือยึดติดสิ่งที่มี พอสูญเสียสิ่งนั้นไปก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีมีปัญญามีสตินะรู้เท่าทันเราได้อะไรมาเราก็รู้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วมันก็ไม่สามารถเป็นของเราได้ เป็นของที่มาชว่วคราวมาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาสูญเสียมันไปจริงๆก็ไม่เสียใจแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไปยึดติดนะเวลาได้อะไรมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมารูปธรรมก็จะเป็นทรัพสมบัติรถจนบ้านเพชรนินจินดานามธรรมาก็จะเป็น ชื่อเสียงตำแหน่งนะพอไปติดมาแล้วนี่มันกลายเป็นโทษ น, นะอย่างคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตในในราชการหรือว่าในการเมืองก็รักก็ตามนะตอนที่เป็นนี่ก็ก็รู้สึกลืม้มรู้สึกใจฟูนะแต่พอต้องลงจากตำแหน่ง หรือสูญเสียตำแหน่งไปเนี่ยบางทีทำใจไม่ได้นะกระทรวงต่างประเทศของบ้านเราเนี่เขาเดี๋ยวนี้เขามีโครงการหนึ่งเอาไว้รองรับทูดที่ทกเกษียณทูดเนี่ยเวลาเวลาเวลาอยู่ประเทศต่างเนี่ยทูดไทยนะทูดที่ไหนก็ตามเวลาอยู่ในประเทศต่างเนี่ย ก็จะเหมือนกับเป็นตัวแทนของประเท ศ, เทศก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างจ ะ, ะรู้หลามีโอกาสได้พบปะคนใหญ่คนโตเป็นผู้นำเช่นถ้าอยู่ในอเมริก า, ก, าก็จะได้พบกับประธานาธิบดีนะได้กระทบหลายคนดังเวลาไปไหนก็นั่งรถหลวงไปนะ มีชีวิตที่มีเต็มไปด้วยเกียรติยศแต่เขาพบว่าเวลาทูตเหล่านี้กเกษียณเนี่ยก็จะซึมจะเศร้านะเพราะว่ากลายมาเป็นประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนเต็มขั้นนะที่เคยอยู่ในสถานะที่สูงสงก็ไม่มีไม่มีคนสนใจแล้วเยนนี้ก็เลยเขาต้องมี มีการจัดอบรมนะเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจของพวกทูตที่จ ะ, กะเกษียณรวมทั้งการฝึกสมาธิการฝึกปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อให้ทําใจทําใจได้เวลาลงจากตําแหน่งเวลาลงจากาสถานภาพแต่ส่วนใหญ่ก็ทําใจไม่ได้นะทำใจยากเพราะว่าไปยึดติดมันพอไปยึดแล้วเนี่ย ก็ถูกมันครอบจีแรกเราไปยึดมันแต่ยึดไปยึดมานี่มันครอบเราเลยสลัดไม่ไปนะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันโล ก, กธรรมบางคนนี่มีผู้ว่าบางคนพอพ้นตำแหน่งแล้วนี่ก็ซึมเลยนะโดยเพราะเป็นผู้ว่าในจังหวัดให ญ, ใหญ่เป็นผู้ว่านี่ก็เหมือนกับเขาเลือกพ่อเมืองนะ คนทั้งจังหวัดนี่ก็ต้องสยบยอมนะผู้ว่าคนหนึ่งพอกเกษียณแล้วก็ซึมนะก็คิดถึงวันคืนเก่าๆที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้ววันหนึ่งนะก็ได้จดหมายได้รับเชิญให้ไปกลับไปจังหวัดของตัวเขามีงานก็ดีใจนะ ดีใจว่าจะได้กลับไปหาบริษัทบริวารจะได้มีคนมาห้อมห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังอีกครั้งหนึ่งแต่พอไปถึงจริงๆเท่าไม่มีคนสนใจเพราะว่าบริษัทบริวารเขาก็ไปหาเขาก็ไปห้อมล้อมผู้ว่าคนใหม่ขหาบดีนายทุนนักธุรกิจในจังหวัดก็ไปลุมหน้าลุมหลังผู้ว่าคนใหม่เพราะมอี่ยมหน้า เขาไม่สนใจเพราะว่าคนเก่าแล้วก็หงอยไปเลยก็ตรอมใจหลังจากนั้นก็อยู่ไปก็ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตอายุสัน้นอันนี้เป็นเพราะว่าติดในโล ก, กธรรมนักปฏิบัติธรรมนี่เราต้องต้องรู้เท่าทันนะโล ก, กธรรมล้วพวกเราอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ไฝ่หา เรื่องโลกธรรมฝ่ายที่เป็นวัตถุเท่าไหร่เช่นความมั่งมีทรัพสมบัตินักปฏิบัติธรรมนี่ความโลภอาจจะน้อยนะตัณหาอาจจะน้อยนะแต่ว่ามานันอาจจะไปโพที่ตัวทิฐิหรือมานะนะทิฐิก็คือความยึดติดในความคิดของตัวว่าถูกว่าดีว่าประเสริฐมานะคือความถือตัวว่าฉัน ชั้นเหนือกว่าผู้อื่นนะยึดติดในความดีติดดีหลงภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของตัวอันนี้ก็มานะแล้วก็มักจะยึดติดในคำสารเสร น, นะต่อไปที่ไหนเขาก็สารเสริญชื่นชมว่าเออเป็นคนสุภาพนุ่มนวลเป็นคนอารมณ์ดีแต่พอเจอคนตำหนิเจอคน ต่อว่าเจอคนเข้าใจผิดนี่ก็ทำใจไม่ได้นักปฏิบัติธรรมก็มักจะมีจุดอ่อนตรงนี้นะคือเรื่องตัวทิฏฐิกมานะทิฏฐินี่ก็หมายถึงความเห็นอาจจะเป็นความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติสำนักของตัวนักปฏิบัติธรรมก็เถียงกันมากเรื่องทิฏฐิสำนักชันดีวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ฉันยอดนะ ก็จะเถียงกันพอมีความยึดติดว่านี่ครูบาอาจารย์ของกูนี่ครูบาอาจารย์ของกูนี่สำนักของกูแม้แต่ในสายเดียวกันสายครูบาอาจารย์เดียวกันบางทีก็มีการคอมแมนต์กันระหว่างสำนักต่างๆที่อยู่ในสายเดียวกันมีเพื่อนมาสนใจหลวงพ่อเทียนอยากจะปฏิบัติในหลวงพ่อเทียนแต่ว่าไปวัดอื่นไม่มาวัดป่าสุกโต ไอ้เราก็ก็รู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีทําไมไม่มาวัดฉันทําไมไปวัดอื่นนะมันมีความสาชืวัดฉันวัดฉันนี่ดีวัดป่าสุขโตนี่ดีนะถ้ามาสนถ้าสนใจสายหลวงพ่อเทอรก็ต้องมาสุขโตนะถ้าไปที่อื่นนี่ก็จะขุนเคืองใจนะอันนี้เพราะมันมีความยึดติดว่าเป็นของกูอยู่หรือไม่ก็เถียงกันเรื่อง ครูบาอาจารย์ของฉันสอนได้ดีกว่าครูบาอาจารย์ของเธอนะล้วก็เป็นอย่างนี้กันมากเนี่เลยนี่เป็นเรื่องทิฏฐินะคือความยึดติดในทิฏฐิปัญหามาในาทิฏฐินี่จะพูดง่ายๆนะก็คืออยากใหญ่อยากอยากได้อยากใหญ่แล้วก็ใจแคบไอ้คําว่าอยากใหญ่นี่ก็หมายถึงตัวกเราจะไม่ถึงกัอยากใหญ่อยามเนียมหน้านนะแต่ว่า ก็อยากได้คนะําช ม, มรหรือว่าไม่ไม่รู้สึกหรือว่าไม่ไม่ไม่มีภูมิต้านทานนะความคําตำหนิหวันไหต่อคาตาหนินะอันนี้ก็เป็นเป็นเพราะตัวมานะนี่มันแก่กล้าปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเล่นงานตัวมานะให้ให้ให้สยบเป็นเลยความอยากใหญ่ความอยาก ลหลงไหลได้ปลื้มในคำชื่นชมอ่อนไหวต่อคำตำหนินะต้องจิตใจมั่นคงจะดูว่าเราปฏิบัติก้าหน้าหรือไม่ก็ดูตรงนี้ด้วยนะก็ดูตรงีว่าจิตใจเรามั่นคงเป็นปกติไหมเวลาถูกตำห น, นิถูกด่าว่านอกปฏิบัติธรรมหรือคนคนดีก็ต้องพร้อมนะที่จะถูกเขาด่าว่าถูกถูกคนใส่ร้าย มาแต่พระพุทธเจ้านี่ก็โดนเยอะนะถูกใส่ร้ายเยอะ ท, ทั้งทั้งที่พระองค์เนี่ยอยู่กรุงสาวัตถีมาเป็น 20, สิบยี่สิบพรรษานี่ก็ยังไม่ไวายนะถูกถูกคนใส่ร้ายลแล้วคนในเมืองสาวัตถีก็เชื่อด้วยเช่นเชื่อพระองค์เนี่ยไปทำคนนั้นคนนี้ท้องหรือเชื่อพระองค์เนี่ยไป ไปมีไปมีไปมีเมียรับนะแล้วก็ฆ่าฆ่าเขาตายมันมีพวกปริพาชกเนี่ยพวกเดร์ชีเนี่ยที่ต้องการทำลายพระพุทธองค์แล้วก็ไปหลอกให้ผู้หญิงนะมาทำทีใกล้ชิด ก, กับพระองค์ เวลาชาวเวลาคนวัดนี่เวลาคนเขาเดินไปที่เชตวันก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินออกมาตอนเช้าจากวัดเวลาชาวบ้านหรือว่าชาวพุทธเดินออกมาจากวัดก็เห็นตอนเดินออกจากวัดตอนเย็นก็เห็นผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสุนทรีเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าไปไหนบอกว่าจะมาที่วัด ทำทีอาการแบบนี้ก็ทําให้เกิดความเข้าใจว่าให้คนสร้างภาพสร้างภาพว่าตัวนี้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็วันดีคือดินน้ําก็ถูกฆ่าก็มีการใส่ร้ายนะว่าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยอยู่เบื้องหลังสังหารถ้าคนในกรุงสวรรคีก็เชื่อนะทั้งที่าทีพระองค์เนี่ยอยู่อยู่ที่เมืองนี้มานานบางทีมันก็นานน้อยใจนะมันคิดดูขนาดอยู่ ที่เมือง น, นี้มานานนี่คนมันก็ยังเชื่อได้นะแต่พระองค์ก็มั่นคงนะไม่ไม่ถอยไม่หนีแล้วก็ไม่แก้ตัวด้วยนะไม่นานเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏว่าพระองค์ถูกใส่ร้ายนะแล้วก็มีนะพระอานนท์ก็ขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปที่อื่น พระองค์ก็บอกว่าไปที่อื่นไปที่ไหนมันก็เหมือนกันมีปัญหาที่ไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่การอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องตอบโต้เขาบางทีการนิ่งในยามที่คนมีอารมณ์รุนแรงนี่ก็จำเป็นเหมือนกันคนก็หลงเชื่อปล่อยข่าวลือพระองค์ก็เลยคิดว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์สงบดีกว่านิ่งสงบดีกว่า ในสุดความจริงก็ปรากฏบางทีเราก็ต้องฝึกแบบนี้บ้างนะเจอคนใส่ร้ายแรงต่างอธิบายไปแก้ตัวไปก็คนไม่ฟังเพราะคนมันอารมณ์อยายรุนแรงอยู่พูดไปเขาก็ปฏิเสธที่ประเทศญี่ปุ่นก็เคยมีนะท่านหากุอินนี่ก็เป็นเป็นเป็นอาจารย์เซนที่มีชื่อมากแต่มามีชื่อที่หลังนะ สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ก็ยังไม่ไม่มีชื่อเสียงมากก็มีคราวหนึ่งชาว บ, บ้านเด็ ก, ดกชาว บ, บ้านหญิงสาวเนี่ยเกิดเกิดท้องขึ้นมาแม่ก็ถามว่าพ่อแม่ก็ถามว่าท้องกับใครเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงก็ชี้ไปที่ท่านหากุินนี่แหละ ว, ว่าทำตัวเองท้อง พ่อแม่ก็ไปด่าไม่ไพ่อแม่อย่างเดียวที่ด่านะชาวบ้านก็ด่าด้วยนะท่านก็ไม่ตอบโต้ท่านก็พูดเพียงสั้นๆว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอสุดท้ายพอผู้หญิงคนนี้คลอดลูกมาก็ไปให้ท่านฮากุอินเลี้ยงท่านก็รับไวนะ้แล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยหลังจากที่เห็นท่านฮาคุอินเนี่ยอุตส่าห์ทน ยอมรับคาตำหนิคาประนามไม่ปริบักบนเลยแล้วก็ดูแลเลี้ยงลูกของตัวเองก็รู้สึกผิดขึ้นมาในที่สุดก็สารภาพว่าใครที่เป็นพ่อเด็กนะไม่ใช่ท่านทากูอินพอรู้ความจริงเข้าพ่อแม่เด็กก็พ่อแม่ผู้หญิงสาวคนนี้ก็เลยรู้สึกผิดชาวบ้านที่เคยลุมประนามท่านตัวรู้สึกผิดก็มาขอโทษ แล้วก็ยกย่องว่าท่านนี่เป็นพระที่ประเสริฐเหลือเกินนะยกย่องสารพัดนะท่านก็ตอบสั้นๆว่าออยังงั้นเหรอคือใครด่าท่านก็สงบใครชมท่านก็นิ่งมีจิตที่เป็นปกติไม่ว่าในยามถูกตําหนิหรือว่าในยามถูกได้รับคําสรรเสริญอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่เขาได้ของผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมจกนกระทา่งจิตเนี่ย อยู่เหนือโลกธรรมนะคือไม่หวันไหวคนชมก็ไม่ฟูคนด่า ก, ก็ไม่แฟบนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนตำหนิเจอคนวิจารณ์เนี่ยให้มองว่าเป็นของดีนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝึกหัดดูใจของตัวว่ากิเลสมันหรือมานะนี่มันมีมากแค่ไหน ถ้ามันน่าะยังมีมากกิเลสยังมีมากมก็จะวันไหวแล้วก็โกรธนะเราทําดีทําไมคนถึงใส่ร้ายเรานะคือใครวิจารไม่เท่าไหร่นะั้นต้องเจอการใส่ร้ายก็ต้องก็ต้องพร้อมที่จ ะ, ะสงบนิ่งได้แต่ถ้าสงบนิ่งไม่ได้นะั้นก็จิตใจก็ทุกข์นะร้อนแล้วก็อาจจะสร้างศัตรู พรโกรธบางครั้งการความสงบนิ่งก็อาจจะสยบความเคลื่อนไหวไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมที่เราก็ต้องต้องรู้เท่าทันแล้วก็ฝึกเอาไว้นะให้ใจอยู่เหนือโลกธรรมอันนี้แหละที่เราอยู่เหนือโลกนะโล ก, กุตรนะอยู่เหนือโลกก็คือความหมายนี้คืออยู่เหนือโลกธรรมคือไม่วันไหวไม่ฟูไม่แฟดกับการได้แล้วก็เสีย เอาล่ะพูดกันเท่านี้และคำนี้